ส่วนเสียหรือข้อด้อยของกามสุขกามคืออะไรกามแปลว่าความอยากความรักความใคร่ความปรารถนาหรือสิ่งที่อยากที่รักที่ใคร่ที่ปรารถนาพูดง่ายๆว่าสิ่งเสพวัตถุบำรุงบำเรอความสุข เครื่องอันนวยความสะดวกสบายคนสัตว์ทรัพย์สินเงินทองเข้าของสารพัด ท, ที่อยากได้อยากมีที่จะครอบครองเอาไว้ให้ได้ความสุขรวมแล้วก็จัดแยกได้เป็นกามาคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งต้องกายที่ใครที่ใฝ่ปรารถนาที่จะให้กา ม, มาสุขคือสุขทางประสาททั้งห้าสุขทางวัตถุหรือสุขทางเนื้อหนัง บางทีเรียกว่าสามิตรสุขคือสุขอาศัยอามิตรหรือสุขจากสิ่งเสพอามิตรสุขก็เรียกถึงตอนนี้มีปัญหาว่ากามาสุขนั้นก็มีมากมายหลายอย่างและหลายระดับที่ล้ำเลิศก็มีที่เป็นทิพย์ก็มีและท่านก็ยอมรับว่าเป็นความสุขแต่การมาสุขทั้งหมดนั้นมีข้อบอกพร่องอย่างไรและความสุขที่ว่าประณียิ่งขึ้นไปอีกนั้น ดีอย่างไรทำไมท่านผู้ได้ประสบรู้จักสุกประณีตนั้นแล้วจึงว่าสุกประเภทนั้นดีเยี่ยมกว่ากามาสุขถึงกับละเลิกกามาสุขไปเสียทีเดียวส่วนเสียคือโทษได้ข้อบกพร่องต่างๆของกามนี้กล่าวโดยย่อมองได้สามด้านหรือมีสามตำแหน่งคือมองที่ภายในตัวบุคคลมองที่ตัวกามนั้นเองและ มองที่ปฏิบัติการของผู้เสพเสวยกามในสังคมหรือในโลกอย่างแรกมองที่ในตัวบุคคลหมายถึงมองที่กระบวนการก่อทุกขภายในตัวบุคคลคือการที่บุคคลปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทําให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกามแล้วก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างที่สองมองที่ตัวกามหมายถึงมองที่สิ่งซึ่งได้ชื่อว่ากาม ที่มนุษย์พากันแสวงหามาเสพสวยหรือมองดูที่รถของกามมองดูความสุขความพึงพอใจอันจะได้จากกามนั่นเองว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรอย่างที่สามมองที่ปฏิบัติการในโลกหมายถึงมองดูผลอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายผู้แสวงหาและเสพสวยกามความจริงทั้งสามอย่างสัมพันธ์อาศัยกันแต่แยกมอง เพื่อเห็นลักษณะที่เป็นไปในด้านต่างๆด้านที่หนึ่งมองดูที่ในตัวบุคคลได้แก่กระบวนการก่อทุกข์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มแต่การรับรู้ประสบการณ์ต่างๆและวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างผิดพลาดปล่อยให้กระแสกระบวนธรรมดำเนินไปตามแนวทางของอวิชชาตัณหาอยู่เสมอจนกลายเป็นการสั่งสมอันเคยชินจะเรียกง่ายๆว่าการสั่งสมความพร้อมที่จะมีทุกข์ หรือความพร้อมที่จะมีและก่อปัญหาก็ได้กระบวนการนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องพัฒนาการของบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่เกิดในคันจนเติบโตดังที่ได้เล่ามาส่วนหนึ่งแล้วจากมหาตันหาสังคยสูตรจึงจะเล่าต่อจากส่วนนั้นต่อไปคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระพิสุทั้งหลายต่อไปว่าสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโต สีทั้งหลายแก่กล้าขึ้นมีกรมคุณหา้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมปลนเปลือตนเขาเห็นรูปได้ตาแล้วย่อมติดใจในรูปที่น่ารักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นต้องโทภทพะด้วยกายทราบธรรมลมด้วยใจแล้วย่อมติดใจในเสียงกลิ่นรสโทภทพะธรรมลมที่น่ารัก ย่อมขัดใจในเสียงกลิ่นรสโภตะพะธรรมรมที่ไม่น่ารักมิได้ตั้งสติไว้กํากับตัวเป็นอยู่โดยมีจิตคับแคบไม่รู้จักตามเป็นจริงซึ่งภาวะหลุดรอดปลอดพ้นของจิตและภาวะหลุดรอดปลอดพ้นด้วยปัญญาที่จะทำให้บาปอากุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขาดับไปได้โดยไม่เหลือเขาคอยประกอบเอาความยินดียินร้ายก็ไว้อย่างนี้แล้ว พอเสวยเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเขาย่อมครุ่นคํานึงย่อมบนถึงย่อมหมกใจอยู่กับเวทนานั้นเมื่อเขาครุ่นคํานึงเฝ้าบนถึงหมกใจอยู่กับเวทนานั้นความติดใจใคร่อยากหรือนันทิความหื่นเหิมใจย่อมเกิดขึ้นความติดใจใคร่อยากในเวทนาทั้งหลายนั่นและ กลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเขาก็มีภพเพราะภพเป็นปัจจัยก็มีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยก็มีชรามรณะความโศกความคร่ําครวญความทุกข์ความเสียใจความคับแขนผิดหวังก็มีพร่งพร้อมความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จึงมีด้วยประการชนีดหมายเหตุเชิงอัด พึงระลึกถึงพุทธพจน์ในนิพเพที่กสูตรอังคุตรนิกายฉักกนิบาต ท, ที่ว่าอารมณ์วิจิตทั้งหลายในโลกหาใช่เป็นกลามไม่ราคะที่เกิดจากความคิดของคนตัางหากเป็นกลามอารมณ์วิจิตทั้งหลายในโลกย่อมดำรงอยู่ตามสภาพของมันอย่างนั้นเองดังนั้นที่รชนทั้งหลายจึงขจัดแต่เพียงตัวความอยากในอารมณ์วิจิตเหล่านั้น คือม่ใช่กําจัดอารมณ์วิจิตด้านที่สองข้อบกพร่องของกามเองท่านมักแสดงด้วยอุปมาต่างๆซึ่งมีกล่าวถึงบ่อยๆว่ากามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งหนักอุปมาที่หนึ่งเปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียและหิวโหวย เขาโยนท่อนกระดูกเปื้อนเลือดให้ก็แทะอยู่นั่นเองจนเหนื่อยอ่อนก็อร่อยไม่เต็มอยากและไม่เต็มอิ่มได้จริงอุปมาที่สองเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือเหี่ยวเป็นต้นคาบบินมาเหี่ยวแรงตัวอื่นเห็นเข้าก็โผลเข้ามารุมจิกแย่งเอาคือเป็นของไม่มีสิทธิ์ขาดแก่ตัวผู้อื่นแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการหมายปองจะเอา เป็นเหตุให้เกิดการแข่งแย่งช่วงชิงเบียดเบียนประทุษร้ายตลอดจนสังหารเข็นฆ่ากันถ้าไม่รู้จักวางใจก็จะเดือดร้อนแสนสาหัสอุปมาที่สามเปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงย่าลุกโผงเดินทวนลมไม่ช้าก็จะต้องทิ้งเสียมิฉะนั้นจะไม่มือไม่แขนและอวัยวะต่างๆอาจถึงตายหรือไม่ก็สาหัส อุปมาที่สเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งที่รู้ว่าหากตกลงไปถ้าไม่ตายก็ต้องเจ็บสาหัสและไม่อยากตกหลุมแต่ก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนจุดดึงเข้าไปหาหลุมอยู่เรื่อยอุปมาที่หเปรียบเหมือนความฝันมองเห็นทุกอย่างเฉิดฉันอัมพาแต่ไม่ทันนานก็ผ่านหายหมดไป พอตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดายอุปมาที่หเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ขอยืมเข้ามาเอาออกแสดงดูโก๋เก๋หรูหราวาง่งท่าอวดกันผู้คนก็กล่าวขวัญชื่นชมแต่ครอบครองไว้ได้เพียงชั่วคราวและอย่างไม่มั่นใจไม่เป็นสิทธิ์ของตนแท้จริงเจ้าของคือธรรมชาติตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่ ก็ต้องคืนเข้าไปที่นั้นเมื่อนั้นไม่มีทางผ่อนปรนส่วนตนเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็พลุกไปอุปมาที่เจ็ดเปรียบเหมือนต้นไม้มีผลดกในราวป่าผู้คนผ่านมาเมื่ออยากได้ลูกผลเขาจะได้ด้วยวิธีใดก็ใช้วิธีนั้นผู้ที่ขึ้นต้นไม้เป็นก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บส่วนคนที่ขึ้นไม่เป็น ก็จะเอาให้ได้ที่เป็นคนร้ายนิสยัยพาลมีมีดมีขวานก็จะตัดทำลายซสียตั้งต้นคนที่อยู่บนต้นไม้ถ้าลงมาไม่ทันก็จะถูกต้นไม้ล้มทับแขนขาหักชอกช้ำหรือถึงล้มตายไปหมายเหตุเชิงอัดเทียบความในยะหนึ่งว่าการมาสุขเหมือนผลไม้บนต้นไม้ซึ่งที่โคนมีผู้ตัดคือความไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน และความแก่ความตายเป็นต้นกำลังทำลายกัดกินให้กร่อนลงไปอยู่ตลอดเวลาจนจะต้องล้มไปในที่สุดผู้บริโภคการมาสุขย่อมต้องถูกคุกคามด้วยความหวาดหวัน่นเสียวใจในความไม่จรังและไม่แน่นอนนี้อยู่ตลอดเวลายิ่งผู้ใดลุ่มหลงติดเพลินมัวเมามากไม่รู้จักยอมเลิกละสละปล่อยเสียบ้างก็จะต้องถูกต้นไม้ล้มทับเอาให้ได้รับความทุกข์ เจ็บปวดแสนสาหัสอุปมาที่แปดเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เท่ากับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ถูกบั่นถูกสับอุปมาที่เก้าเปรียบเหมือนหอและเหลามักจะคอยทิ่มแทงให้ได้แผลไม่เล็กก็ใหญ่ไม่เจ็บน้อยก็เจ็บมากอุปมาที่สิบเปรียบเหมือนหัวงู เข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่วายต้องคอยระแวงไม่อาจปลงใจสนิทหรือวางจิตปลอดโปร่งได้แท้จริงอาจฉกเอาคือนำภัยอันตรายมาให้ได้เสมอข้อเสียหรือจุดบกพร่องของกามาสุขนี้อาจกล่าวโดยย่อว่าความอร็จอร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนากามอํานวยให้เพียงชั่วครู่ยามในเวลาที่เสพ แต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟน้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นอย่างมิหนำแม้ส่วนได้เป็นความ อ, ร, อร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละเมื่อจางคลายหายรับดับร่วงผ่านไปแล้วยังทิ้งความเสียดายหวนหาอะไรเอาไว้ทรมานใจคนบางคนให้พิรัยรำพันไปได้อีกนานด้านที่สาม เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยสัมพันธ์กับโลกและสังคมข้อเสียของการในด้านนี้ท่านบรรยายเริ่มตั้งแต่ความทุกข์ยากความลำบากเดือดร้อนที่ต้องประสบในการทรมาหาเลี้ยงชีพและแสวงหาสังสมการมวัตถุไว้เสพเสวยซึ่งเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่แต่ละคนจะต้องอดทนในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกต้องทนแดดทนฝนทนหนาวทนร้อนทนเหนื่อยทนยาก บ้างขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มีบ้างขยันหมั่นเพียรสู้ทำงานด้วยความเหนื่อยยากแต่งงานกลับไม่สำเร็จผลไม่ได้เงินทองหรือขาดทุนย่อยยับไปต้องเศร้าโศกกลัดกลุ้มทุรนทุรายเมื่อหามาได้แล้วก็เป็นทุกข์ในการระวังรักษาบางทีประสบภัยเช่นถูกโจนปล้นคนลักไฟไหม้เดือดร้อนวุ่นวายไปอีก ครันได้การมาวัตถุมาไว้ครอบครองมนุษย์ผู้เเขาต่อสัจธรรมก็ลุ่มหลงตกเป็นทาสของมันยกเอาการมาวัตถุที่เป็นของไม่จริงไม่แท้มาเป็นเหตุดูถูกเหยียดหยามกันก่อทุกข์ให้แก่กันมากขึ้นบ้างก็อิจฉาริษยากันทะเลาะวิวาทขัดแย้งเบียดเบียนกันเพราะเห็นแก่กามาวัตถุแย่งชิงกันซึ่งกามาวัตถุในรูปของทรัพย์สินต่าง อย่างที่กล่าวในบาลีว่าราชาก็วิวาทกับราชากษัตริย์ก็วิวาทกับกษัตริย์พราหมกก็วิวาสกับพราหมกกษบตีก็วิวาสกับกหับรีแม่ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับแม่พ่อก็ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับพ่อพี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องหญิงก็ทะเลาะกับพี่น้องชาย พี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องหญิงเพื่อนก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้างก็ลงไม้ลงมือหรือถึงกับใช้สัตว์อาวุธเข็นฆ่ากันถึงตายบ้างทุกปางตายบ้างถึงพวกที่ตรเตรียมอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าปะทะทมสงครามล้างผลาญกันใช้หอกดาบแหลนหลาเง้าปืนยิงแทงตัดศีรษะระเบิดกันก็เพราะกามต่างด้วยผลประโยชน์หลากหลายเป็นเหตุบ้างก็ประกอบการทุจริต มีจี้ปล้นแย่งชิงคบชู้เป็นต้นถูกจับได้เขาก็นำไปลงโทษทันต่างๆเป็นคารุโทษบ้างแล้วหูโทษบ้างครั้นตายแล้วก็ยังต้องได้รับความทรมานในอบายทุกติวินิบาตนรกอีกทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุจากกามมีข้อที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มองเห็นโทษหรือส่วนเสียของกาม ว่ามีข้อบกพร่องต่างๆดังที่กล่าวมาอย่างนี้และได้ประสบความสุขที่ประณีตดีเยี่ยมกว่ากามาสุขพระจักกับตนจนไม่นึกอยากได้กามคุณแล้วนั้นท่านมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามาสุขว่ามีสภาวะหรือธรรมชาติเป็นอย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงไว้ในรูปของการเปรียบเทียบต่อไปอีกมีใจความว่าเปรียบเหมือนคนโรคเรื้อนตัวสุข เป็นแผลไปทั่วถูกเชื้อโรคบ่อนชัยใช้เล็บเกาปากแผลย่างตัวที่หลุมฐานไฟต่อมามีหมอรักษาเขาหายโรคมีความสุขสบายจะไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ตามปรารถนาเขาเห็นคนอื่นที่เป็นโรคเรื้อนเกาแผลย่างตัวอยู่ที่หลุมฐานไฟเขาย่อมไม่รู้สึกกระยิมยินดีต่อคนโรคเรื้อนนั้นที่จะย่างตัวที่หลุมไฟ หรือที่จะกินยาเช่นนั้นอีกนี่ฉันใดผู้ที่เคยได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามาคุณทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเขาละกามาตันหาแล้วและได้ประสบสันที่สุขภายในชนิดที่ไม่ต้องอาศัยกามซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกว่าแม้แต่ที่พยาสุขเขาเห็นคนอื่นๆที่ปรนเปรศเสพเสวยกามอยู่ย่อมไม่นึกกระยิมทยานต่อคนเหล่านั้นและไม่รู้สึกยินดีในกามนั้น คนที่เคยเป็นโรคเรื้อนและรักษาตัวหายแล้วนั้นถ้ามีคนแข็งแรงกว่ามาช่วยกันจับตัวเขาชุดก็ไปหาหลุมฐานไฟเขาจะดิ้นรนพยายามเบี่ยงตัวหลบเพราะไฟนั้นร้อนมากถูกเข้าไม่สบายเลยเรียกว่ามีสัมผัสเป็นทุกข์ต่างจากครั้งก่อนเมื่อเขายังเป็นโรคเรื้อนอยู่เขาเข้าไปเองไปผิงย่างตัวที่ไฟเห็นเป็นสุขสบาย ทั้งที่ไฟนั้นก็หลุมเดียวกันแท้ๆร้อนมากเหมือนกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะคนเป็นโรคเรื้อนมีอินซีเสียหายบกพร่องไปเกิดสัญญาวิปริตต่อไฟซึ่งมีสัมผัสทุกข์ว่าเป็นความสุขข้อนี้ฉันใดการมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันความจริงนั้นการมทั้งหลายเป็นสิ่งมีสัมผัสทุกมีความเผาหล่นเร่าร้อน เป็นปกติธรรมดาเหมือนกันทุกการเวลาแต่คนถูกกามาตันหาบ่อนชัยมีอินทรีย์เสียหายบกพร่องไปจึงเกิดสัญญาวิปริตต่อกามซึ่งมีสัมผัสทุกแท้แท้ว่าเป็นความสุขคนโรคเรือนที่เอาเล็บเกาปากแผลผิงย่างตัวที่หลุมถ่านไฟนั้นเขายิ่งเก่าและยิ่งย่างตัวปากแผลก็ยิ่งสกปรกมีกลิ่นเหม็นเน่าเฟะยิ่งขึ้น ความสุขความ อ, ร, อร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็อยู่ที่การได้เกาที่ปากแผลหรืออยู่ตรงแค่ปากแผลที่ได้เกาเท่านั้นถ้าเขายังไม่หายจากอาการคันตราบใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดียิ่งกว่านั้นย่อมไม่อาจทําได้ก็เขายังคันนัวอยู่จะให้เขารู้จักความสุขชนิดที่ไม่ต้องเกาที่คันได้อย่างไรเมื่อใดเขาหายโรคมีสุขภาพดีเป็นปกติแล้ว เมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าและเมื่อนั้นเขาจะไม่ปรารถนาความสุขอันถพงได้จากการเกา่าณที่คันอีกต่อไปในเรื่องการนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ถูกกามาตัญหาบ่อนชัยเมื่อเขาเสพเสวยการทั้งหลายกามาตัญหาก็ยิ่งขยายตัวแรงกล้ายิ่งขึ้นและความร่านรนกาม ก, ก็ยิ่งเร้ารุนมากขึ้น และแล้วความสุขความอริดอร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็มีแต่ที่จะเกิดจากกามคุณทั้งห้าเท่านั้นถ้าเขายังไม่พ้นหายไม่ปลอดโปร่งจากความบ่อนชัยของกามาตัญหายังถูกความร่านรนกามเรารุนอยู่ตราบใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าพระนี่กว่านั้นย่อมไม่อาจทําได้ก็กามาตัญหายังเรารุนเขาอยู่ ใจเขารู้จักความสุขภายในชนิดไม่ต้องรานรนหรือไม่ต้องอาศัยกามได้อย่างไรเมื่อใดกามมาตัญหาไม่บ่อนช้เขาเขาปลอดโปร่งจากความเร่ารุนของกามแล้วเมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขภายในที่ประณีต ก, กว่าได้และนี้คือภาวะไรโรคไม่มีอะไรบ่อนเบียนจิตใจหรือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ซึ่งท่านกล่าวว่า เป็นความหมายอย่างหนึ่งของนิพพานในสักกสูตรพระพุทธเจ้าทรงสนทนากับอุบาสกชาวแคว้นสากยะจำนวนมากทรงสักถามได้ความยอมรับจากอุบาสกเหล่านั้นว่าคนที่ประกอบการงานอันสุจริตไม่แต่ต้องอกุศลกรรมใดๆเลยได้รับวันละครึ่งเหรียญทุกวันหรือวันละหนึ่งเหรียญสองเหรียญตลอดขึ้นไปจนถึงวันละร้อเหรียญ ทุกวันย่อมสมควรจะเรียกได้ว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่คนที่ขยันหมั่นเพียร น, นั้นแม้จะเก็บรักษาทรัพย์ที่ได้มาเอาไว้สักร้อยปีจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทรัพย์สมบัติกองใหญ่นั้นก็ไม่สามารถทาให้เขามีความสุขอย่างเดียวล้วนๆได้แม้แต่เพียงคืนเดียววันเดียวหรือแม้แต่ครึ่งวันทั้งนี้ เพราะการทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขาดแก่นสารไม่แท้ไม่จริงเป็นสิ่งที่ต้องเลือนหายไปเป็นธรรมดาต่างจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถบรรลุผลที่ทำให้มีความสุขอย่างเดียวล้วนได้ตลอดเวลายืดยาวนานแสนนาน